จเจริญพรท่านคณะบดีคณะอิศวะใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่เคยเลยซีดีก็ไม่เคยยูทูบก็ไม่เคยเยอะเหมือนกันนะตอนนี้คนประเทศอื่นก็ามาเรียนตั้งเยอะพวกเราคนไทยถ้าไม่เรียนศาสนาพุทธอีกหน่อยอยากเรียนศาสนาพุทธ ผมต้องไปเรียนที่ประเทศอื่นทุกวันนี้สถานการณ์ศา ส, สนาเราเนะขาขั้นวิกฤตเป็นวิกฤตศรัทธาไม่เฉพาะวิกฤตศรัทธามันวิกฤตจริงๆเชียล่ะอะไรเป็นธรรมเป็นวินัยเริ่มสับสนไปหมดแล้ะคนก็ไม่เข้าใจพวกเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รู้จักศาสนาพุทธ เราบางคนได้เห็นมีข่าวพระทําไม่ดีบอกเลิกนับถือศาสนาพุทธนี่เป็นความไม่ฉลาดศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ของพระพระในเมืองไทยมีอยู่สองแสนคราวาดมีทั้งเจ็ดสิบกว่าล้านอยากให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติแต่เจ็ดสิบกว่าล้านไม่สนใจศา ส, สนาอยู่ไม่ไหว สังคมเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจเราเปลี่ยนการเมืองเราก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเนือศาสนาเราถ้าไม่สามารถนําหลักธรรม ท, า, ทาสอนม า, มาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ฟังได้นง่นก็สูญถ้าเราเข้าใจพระพุทธศาสนาเราจะรู้ว่า นี่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเราบรรพบุรุษเลือกสรรศาสนาที่มีเหตุมีผลไม่ใช่าศาสนาที่แค่เชื่อๆตามกันไปอาศัยศรัทธ า, าศาสนาพุทธความจริงในเข้าลักษณะความเป็นาศาสตร์มากกว่าเป็นาศาสนาไม่ได้มีพระจงพระเจ้าไม่ได้มีคำว่าต้องเชื่อ มีหลักทำคำสอนให้เรานะมีเป้าหมายเป้าหมายสูงสุดคือถ้าเราได้ปฏิบัติเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วเนะี่ยจุดสูงสุดก็คือเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะงั้นเรามีจุดหมายปลายทางเพื่อความดับสนิทแห่งทุกขนะ์ไม่ใช่เพื่อจะไปอยู่สวรรค์นิรันดรนะ์เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้นิรันดรในสามโลกนี้ไม่มีอะไรนิรันดร งั้นจุดหมายปลายทางของพรุทธศาสนาเนี่ยคือเพื่อความดับสนิทแทนทุกข์แล้วท่านสอนวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับสนิทแทนทุกข์ให้เราจะต้องพึ่งตัวเองต้องช่วยตัวเองก้าวเดินไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้งั้นเราต้องรู้หลักนะว่าหลักธรรมคาสอนที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะได้ปฏิบัติได้ถูก แล้วถัดจากนั้นเราก็ลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเห็นผลของการปฏิบัติเป็นลำดับลาดับไปเราจะพบว่าความทุกข์ในใจเราเนี่ยสั้นลงสั้นลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเคยทุกข์หนักก็ทุกข์น้อยถ้าฝึกถึงขีดสุดเนี่ยไม่ทุกข์อีกต่อไปเป็นศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ไม่ใช่ชวนให้เชื่อเนี่ยเป็นความ ถ้าจะพูดนะเป็นความอาหารการกล้าหาญมากท้าให้พิสูจน์เอหิปั ส, สิโกฟึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดไม่ใช่จงเชื่อเถิดลองดูวิธีที่พูะทเจ้าวางไว้ให้ลงมือทำแล้วดูผลด้วยตัวเองว่าทุกข์มันน้อยลงไหมทุกข์มันสั้นลงไหมถ้าเราพบว่าความทุกข์มันน้อยลงน้อยลงความทุกข์มันสั้นลงสั้นลง ความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามันก็จะเกิดขึ้นทุกวันนี้เราเป็นชาวพุทธแต่ชื่อเราไม่ได้รู้คุณค่าของพุทธศาสนาเลยนะว่าจะช่วยอะไรเราได้ส่วนใหญ่ชาวบ้านเข้าวัดกันเข้าไปหาความเฮงนะไปหาหวย ห, หาเบอร์หาเลขนะไปสสดอจเคราะห์ต่ออายุอะไรนี่ยไม่ได้มุ่งไปเรียนธรรมะแท้ๆของพุทธศาสนา เมื่อไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่เห็นผลจากการปฏิบัติก็ไม่มีศรัทธาศรัทธาของเรานี้ยร่อนแคลนคนไทยจริงๆแล้วไม่ได้ศรัทธาอะไรเลยนะคนไทยประชาธิปไตยก็ไม่ได้ศรัทธาประเด็ดการยังไม่ศรัทธาลัฐทีคอมนิดรัฐทีอะไรไม่ศรัทธาเท่านั้นศรัทธาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวอะไรที่มีผลประโยชน์แล้วเอาันนั้นแหละ แต่ถ้ามานับถือศาสนากนะ็มองเรื่องผลประโยชน์นะถ้าเข้าวัดแล้วเฮงเข้าวัดแล้วรวยเนะข้าวัดแล้วสุขภาพดีอายุยืนเข้าวัดแล้วมีคนรักพูดอะไรก็มีคนเชื่อเนี่ยผลประโยชน์เท่านั้นเลยเข้าไปก็หาแต่สิ่งเหล่านี้มุ่งไปเอาเปลือกนะซึ่งไม่มีสาระอะไรเท่าไหร่หรอกนะอย่างเราจะรวยขึ้นมานะคนเรารวยต้องการรวยแค่ไหน ในความเป็นจริงแล้วที่เราอยากรวยเพราะเราคิดว่ารวยแล้วมีความสุขอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีตําแหน่งอยากมีเกียรติยศอยากให้คนยอมรับเนะขาหวังว่าจะมีความสุขนั่นแหละนั้นจริงๆอยากได้ความสุขอยากจะหนีจากความทุกข์แต่ว่าไปเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งอื่นไว้กับคนอื่นถ้าได้ศึกษาพุทธศาสนานะเรียนรู้เข้ามาจนแจ่มแจ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้า ความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นในใจเมื่อความทุกข์มันไม่มีมันเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบความสุขที่คนในโลกนี้สแสวงหาแล้วก็รู้จักเนะี่ยมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาไม่รู้จักความสุขภายในของตัวเองซึ่งจะค้นพบขึ้นมาแล้วมันเต็มมันอิ่มอยู่ใน ใ, นใจของตัวเองงั้นเราจะต้องพยายามมาเรียนนะเรียนให้รู้จัก รื้จากหลักของการปฏิบัติแล้วเราไ้ ล, ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นผลของการปฏิบัติเราจะรักพระพุทธเจ้าไม่มีใครในโลกหรอกที่จะสามารถเข้าถึงหลักธรรมอย่างนี้แล้วเอามาสอนคนอื่นได้ขนาดท่านเอามาสอนเรายังไม่ใช่ง่ายเลยที่จะตามท่านไปให้ได้แต่ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะไปได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะปานกลาง ไม่ใช่ธรรมะที่ยากจนกระทั่งทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ง่ายแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้เลยงั้นะวันนี้หลวงพ่อจะบอกเส้นทางที่เราจะไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ให้นะเนื่องจากมีคนใหม่ๆที่ไม่เคยฟังเนี่ยจำํำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องดีะปกติไปเทศที่ไหนเนี่ยคนเก่าๆฟังแล้วฟังอีกนะตามไปฟังก็มีนะ แบบแฟนพันแท้อะไรเงี้ยนะพวกนี้ไม่อยากเห็นหน้าเท่าไหร่หรอกเสียเวลาเทศแต่ละคนรู้มากรู้มากก็จะยากนานไม่ยอมปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วคนทุกข์เป็นบ้างแล้วละ่ะหลักของการปฏิบัตินะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของการเจริญปัญญาเป็นสามบทเรียน ศีลศิษยาเรียนแล้วเพื่อจะรู้ว่าการรักษาศีลนะมีประโยชน์อะไรรักษาอย่างไรนะรักษาแล้วมีประโยชน์อะไรจนะรักษาอย่างไงให้รักษาได้ง่ายนะจิตสิษยาเป็นการเรียนเพื่อให้จิตเกิดความสุขความสงบมีพลังอันนี้เป็นบทเรียนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งอีกบทเรียนหนึ่งนะฝึกไปเพื่อให้จิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะถอนตัวออกจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่งมาอยู่ในโลกของความรับรู้ที่แท้จริงเรียกว่าตื่นขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อสมาธิชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่สมาธิอย่างที่ฤาษีชีพลัยเขาทากันเนีย่ยสมาธิที่คนส่วนใหญ่นั่งเนี่ยนะหรือทั้งทำสมาธิกันเนะี่ยไม่ใช่สมาธิที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรอก สมากเป็นไปเพื่อความสุขความสงบตายไปไปเป็นพระปลอมนะเป็นพระพรอมก็ลําบากนะเขาก็เชิญมาเฝ้าหลงแหลม <c oughs> พระพรอมมาเฝ้าถึงเวลาก็ให้กินไข่ต้มกับมะพร้าวอ่อนกินอย่างนี้ทุกวันเลยเนาะไม่มีความสุขหรอกนะน่าเบือ่อเนี่ยถ้าเราทําสมาธินะ่ะส่วนใหญ่มันจะมุ่งไปที่สงบแล้วไปเป็นพระพรอมเนี่ยเท่านั้นเอง ส่วนสมาธิที่จะให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสามารถเรียนรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยสมาธิอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักงั้นเราจะต้องเรียนให้ได้สมาธิทั้งสองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าทำได้อย่างเดียวนะต้องฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่สงบถ้าเราไปดูพรเจนา น, นุกรมเราจะพบว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นไม่ใช่ความสงบนะเราส่วนใหญ่ชอบคิดว่าตั้งสมาธิแล้วสงบ สงบมันตื้นมากนอกศาสนาพุทธก็มีสมาธิแบบนั้นแต่สมาธิของชาวพุทธคือความตั้งมั่นของจิตจิตมันจะถอนตัวออกจากปรากฏการออกมาเป็นผู้สังเกตการเนี่ยจิตมันจะถอนตัวออกมาจากผู้แสดงมาเป็นผู้ผู้ดูผู้สังเกตการเมื่อจิตถอนตัวจากผู้แสดงมาเป็นผู้ดูผู้สังเกตการแล้วมันจะเห็นปรากฏการทั้งหลายตรงตามความเป็นจริง เนีย่ยถ้าเราเป็นนักมวยนะนักมวยเป็นผู้แสดงเองขึ้นไปชกนะชกเก่งยังไงก็ตา ม, มาเวลาขึ้นเวทีบาทีเมาหมัดนะในขณะที่คนที่เป็นคนเชียร์อยู่ข้างๆนาะแมมรู้หมดเลยว่าให้เตะอย่างน้นให้ต่อยอย่างนี้แต่คนสอนกันอย่างๆเคยดูมวยไหมคนสอนอยู่รอบเวทีเลยนะแต่อีกคนสอนขึ้นไปชกแล้วตายนะได้แต่สอนได้แต่ดูทาไมมันสอนเก่งเพราะมันเป็นแค่คนดูเป็นคนวงนอก เนะี่ยสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นมันจะถอนตัวออกมาเป็นคนวงนอกมาเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเหมือนอย่างเวลาเราทําโปรเจกต์ใหญ่ๆนะทําธุรกิจทําโปรเจกต์ใหญ่ๆอนะไรเงี้ยบางครั้งเราต้องจ้างที่ปรึกษาจ้างไอบิเซอร์ใช้จ้างคอนเะซิลล์พวกคอนเซิลล์พวเนี่ยค่าจ้างแพงมากเลยนะทีหนึ่งบางโปรเจกต์เนี่ยหลายสิบล้านร้อยล้านก็มีแล้วแต่ว่าโปรเจกต์ใหญ่แค่ไหน ไอ้พวกที่ปรึกษาพวกคอนซัลท์พวกอะไรเนียจริงๆไม่ได้รู้เรื่องในหน่วยงานของเราเท่าเราหรอกแต่เรารู้แบบคนวงในนะรู้แบบคนวงในทำให้มองอะไรไมได้ไม่ชัดเจนสู้คนวงนอกมามองไม่ได้ต้องไปจ้างคนอื่นเขามามองเราเราก็เลยรู้จักตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องถอนตัวเองออกมาเป็นคนดูให้ได้คืออันนี้เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าไม่มีในศาสนาอื่น ส่วนการถือศีลเนี่ยศาสนาอื่นเขาก็มีการนั่งสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยศาสนาอื่นก็มีแต่การฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนมีเฉพาะในพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีนี่บทเรียนที่สองนะบทเรียนที่สามชื่อปัญญาสิกขาเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจ รูปนามกายใจของตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเองจนเข้าใจตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองเมื่อไหร่เราจะไม่ทุกข์นี่ทุกวันนี้เราไม่เข้าใจความจริงของตัวเองเราถึงทุกข์ไม่เข้าใจอย่างไงอย่างร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายเราไม่เข้าใจเราอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายพอแก่ขึ้นมาก็กลุ่มใจพอเจ็บขึ้นมาก็กลุ่มใจพอตายก็จะกลุ่มใจอีก หรือจิตใจเนี่ยมันก็ประสบกับอารมณ์ที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างเจอของที่ชอบใจบ้างเจอของไม่ชอบใจบ้างมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเนี่ยถ้าเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ ไ, ป ม, กไ ป, มปมาแล้วก็ไปความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความสงบมาแล้วก็ไปความฟุ้งซ่านมาแล้วก็ไปความดีความชั่วมาแล้วก็ไปหมดเลย ถ้ามันเห็นด้วยใจอย่างท่องแท้แล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเรานะความสุขเกิดขึ้นเนี่ยใจจะไม่หลงระเริงเพราะใจรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่เศร้าหมองเพราะรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวนะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงจะไม่กระเพื่อมบั่นไหวไม่ดิ้นรนนะกับปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะพวกเราจะต้องเรียนนะ ปัญญานี่มีหลายระดับปัญญาขั้นต้นจะเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เรานะความจําไม่ใช่เราใจที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เราจนะรู้ความจริงนี้นี่คือปัญญาขั้นต้นเมื่อรู้ว่าตัวเราไม่มีแล้วใครแก่ใครเจ็บใครตายร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตาย นะถ้ามันรู้ความจริงเข้าไปแล้วเพราะรู้ว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักนะความไม่สมหวังต่างๆเป็นแค่อารมณ์ทางใจนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาใจไม่หวั่นไหวนะเพราะฉนั้นเวลาเผชิญกับปรากฏการใดๆขึ้นมาเนี่ยใจจะไม่สโตกสถานหวัน่นไหวใจมันจะเต็มมันจะอิ่มมันจะมีความสุขอยู่ในทุกๆปรากฏการในทุกๆสถานการณนะ์เนี่ยเราเข้ามาสู่ จุดสุดท้ายนี้ได้นะที่ว่าใจจะไม่กระเพิ่มบันไหวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจนะด้วยอาศัยการเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจพอนะรู้ความจริงแล้วจิตใจจะคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นะเป็นอิสระอย่างแท้จริงขึ้นมาอันนี้เป็นการให้ภาพกว้างๆนะในฐานะที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยฝัง น่าเสียดายนะถ้าไม่เคยฟังทุกวันนี้คนต่างประเทศเนี่ยมาฟังของพ่อเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วข้าพ่อนาดีขึ้นมาจากหลายประเทศแล้วนะที่พอวนาดีๆขึ้นมาเนต่อไปพอศาสนาพุทธหมดจากเมืองไทยถ้าเราอยากเรียนอาจจะต้องไปเรียนที่รัเสเซียที่จีนนะที่แคนาดาที่อเมริกาหลวงพ่อสอนไว้หลายประเทศแล้ว นี่ถ้าเราไม่อยากให้หายไปไม่อยากให้ศาสนาพุทธสูญไปรีบศึกษาสะก่อด น, นะเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยรักษาสืบทอดศาสนาไวนะ้ก่อนที่จะหายไปเกือบหมดแล้วละ่นะอย่านึกว่าศาสนาพุทธของเราเข้มแข็งมั่นคงนะดูแต่ตัวเลขว่าชาวพุทธเกสบกว่าเปอร์เซ็นชาวพุทธสักเปอร์เซ็นหนึ่งถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนอกนั้นเป็นพุทธแต่ชื่อหรอกไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ในบทเรียนสามบทนะบทเรียนเบื้องต้นเนะ่ชื่อศีลสิกขาพวกเราพอได้ยินว่าให้ถือศีลเนะี่ยเรก็เบือ่อแล้วถามจริงๆใครไม่รู้ว่าศีลห้าข้อมีอะไรบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูนยะไม่ต้องอายศีลห้าข้อไม่รู้จักมีไหมไม่ไม่ยอมยอกมือเดี๋ยวชี้ถามนะ <laughs> รู้จักแน่นะ สี่นั่นห้าข้อนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยพฤติกรรมทางกายและวาจาไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการกินเหล้าเมายากินเหล้าเมายานี่ถือว่าเบียดเบียนตัวเองนะทําให้เราเนี่ยขาดสติถ้าขาดสติแล้วไม่สามารถจะสร้างคุณงามความดีอะไรได้กนะ็ขาดสติปุ๊บเนี่ยกิเลสนจะมาคล้องใจของเรา แต่ถ้ามีสติอยู่เนี่ยจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นดงั้นการจะรักษาศีลเราต้องรู้ก่อนเรารักษาศีลเนี่ยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเราก็ดูเอานะอะไรที่ทําไปแล้วเบียดเบียนคนอื่นจะเบียดเบียนด้วยวาจาหรือเบียดเบียนด้วยการกระทําเราก็ไม่เบียดเบียนอย่างเบียดเบียนด้วยการกระทําเนี่ยเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขานี่ผิดศี่ข้อหนึ่งนะ เบียนเบียนทรัพสมบัติเขาผิดศีลข้อสองเบียดเบียนคนที่เขารักนลูกเขาเมียเขาเนี่ยผิดศีลข้อสามเนี่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่คนเราแต่ละคนหวงแหนเราหวงชีวิตร่างกายของเราไหมเราก็หวงใช่ไหมไม่อยากให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราเรายังรักชีวิตร่างกายของเราคนอื่นเขาก็รักเหมือนกันเน่ถ้ารู้จักมองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมองแบบความรู้สึกที่เป็นมิตรเกิดขึ้ น, นเราจะไม่ไปเบียดเบียนใครหรอก ทรัพสมบัติของเราเราก็รักใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเบียดเบียนเพราะ้นเราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นมันทําร้ายจิตใจคนอื่นเขาเหมือนกันลูกมีเราสา ม, มีเราเราก็รักใช่ไหมไม่อยากให้คนอื่นมาแย่งไปเพราะเราก็อย่าไปแย่งของคนอื่นเขาด้วยเพราะมันทําร้ายจิตใจของคนอื่นเขานี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยมีอะไรกันล่ะที่เราอยากได้ที่เราหวงแหนมากๆามีชีวิตร ia, ่างกายใช่ไหมมีทรัพสมบัติมีครอบครัวคนที่รักต่างๆ ถเ้เบียดเบียนศัตรูเบียดเบียนศัตรูเราไม่ได้รักไงใช่ไหมใครมาเบียดเบียนศัตรูของเราเรายิ้มหวานเลยใช่ไหมเพราะฉนั้นในศีลห้ามไม่มีนะห้ามไปเบียดเบียนศัตรูคนอื่นเลยเยไม่มีนั้นเป็นไปการเรื่องว่าไปหลังแกเขาไปทําร้ายร่างกายทําร้ายจิตใจเขาเบียดเบียนเขาเบียดเบียนด้วยวาจาทําได้หลายแบบนะเขาเป็นคนไม่ดีเราก็ชมแล้วชมอีกนะให้มันเลิ้งไปเลยนะเสียผู้เสียคนไปเลย นี่ก็เบียดเบียนด้วยวาจานะทํทำเป็นว่าพูดเราะพูดดีแต่ไม่ตรงความจริงพูดชมไปเรื่อยๆแล้นเสียคนไปงั้นเราตั้งใจนะถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเขาทำร้ายเรานคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้ใครทำร้ายเขาแบบเดียวกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรักษาศีลได้ง่ายถ้าคิดอะไรก็อย่าไปคิดอย่าไปทำอย่าไปพูดในลักษณะที่เบียดเบียนคนอื่นในขณะเดียวกัน อย่าไปติดสิ่งเสพติดทั้งหลายนะกินเหล้ามาวยาเนี้ยมันเบียดเบีย น, นตัวเองทําให้เราขาดสติคนกินเหล้ามาวยาไม่มีสติหรอกนะนี่เรื่องของศีลการรักษาศีลนนะเบื้องต้นตั้งอกตั้งใจรักษาไว้ก่อนแต่เบื้องปลายนะีไม่ต้องรักษาถ้าเรารู้จักวิธีการวิธีการที่จะทําให้เรารักษาศีลได้ง่ายนะก็คือมีสติรักษาจิตรักษาใจตัวเอง คนทําผิดศีลได้นะเพราะกิเลสครอบงําใจอย่างความโกรธครอบงําใจก็ไปทําร้ายคนอื่นไปขโมยทรัพย์สินเขานะไปแกล้งจีบลูกจีบเมียเขาแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยเนี่ยทําทร้ายคนอื่นเพราะอะไรโทรสามแทรกราคามันแทรกเขาทำร้ายคนอื่นได้รักเขาก็ก็รักเขาฆ่าได้ใช่ไหมอ <c oughs> อยากได้ของคนอื่นนี่ก็เรื่องของโลกเจอจีบเขาก็าเรื่องของโลก จะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาด้วยความโลภก็ทำได้เพรนั้นกิเลสเนะียความโลภความโกรธอะไรพวกนี้แหละมันทำให้เราทําผิดศีลเวลาโกรธรู้จักไหมโกรธใครใครไม่เคยโกรธมีไหมโลภรู้จักไหมโลภคือรักรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักมไหมเนี่ยกิเลสหลักๆนะโลภโกรธหลงหลงก็ฟุ้งไปหลังเลใจต่างๆนานา จริงๆแล้วกิเลสไม่ใช่ของลึกลับพวกเรารู้ทุกคนแหละแต่เวลาเรากโกรธเนี่ยเราไม่ดูเราไม่หยอมรู้เวลาเรากโกรธเราทำํำยังไงเวลาเรากโกรธเราจะไปดูคนที่ทําให้เรากโกรธหรือบางทีเราโกรธหมานะหมาข้างบ้านชอบเห่าเราเนี่ยเเวลาเรากโกรธขึ้นมาเราจะสนใจหมานะเราจะคอยมองมันมาไหมยังถ้ามันมาแล้วมันเผลอนะ่จะหาก้อนอิดกว้างหัวมันอย่างนี้นะ เน่จริงๆแล้วพวกเรารู้จักกิเลสทุกคนน่ะไม่ใช่เรื่องลึกลับโกรธเป็นยังไงเราก็รู้โลภเป็นยังไงก็รู้ะฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้หดหู่เป็นยังไงก็รู้ลังเล ส, สงสัยเป็นยังไงก็รู้ <S <S ถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่มันไหลเวียนเข้ามาในใจเราถ้าเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆไปกิเลสมันจะมาครอบงําใจเราไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงําใจไม่ได้เราจะไม่ผิดศีลคนทําผิดศีลเพราะกิเลสครอบงําใจ เงีเบื้ต้นนะตั้งใจรักษาศีลตั้งใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองนะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาการถือศีลของเราให้ดีขึ้นด้วยการคอยรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตัวเองบ่อยๆนะถ้าเรารู้ทันกิเลสแล้วเราจะไม่ทําผิดศีลนะกิเลสเนี่ยถ้าทันทีที่เรารู้นะมันจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปหาทางดับกิเลสหรอกแม่มีกิเลสจะให้ดับ เมื there, no Notice, ่อไหรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินะเมื่อเราคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาให้รู้ว่าโลภหลงให้รู้ว่าหลงฟุ้งซ่านหดหู่ให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วกิเลสจะครอบงําใจไม่ได้มันจะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปรับรองจะไม่ทําผิดศีลพอไม่ผิดศีลแล้วอะไรก็เกิดขึ้นใจเราจะเป็นปกติใจเราจะเป็นธรรมดา ใจทมจะมีสมาธิง่ายคนที่มีศีลเนี่ยทาสมาธิง่ายคนที่ไม่มีศีลทาสมาธิยากอย่างคนที่คิดจะฆ่าคนอื่นนะจิตใจไม่สงบคนที่เมตตาคนอื่นจิตใจสงบคนคิดจะขโมยคนอื่นจิตใจไม่สงบคนคิดจะให้ทานจิตใจสงบมีความสุขกว่ากันเยอะเลยคนที่คิดจะมีชู้กับเขาไม่สงบ คนที่ซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองสงบสงบใช่ไหมประเภทเห็นหน้าแล้วก็สงบ อ, อุเบกขาตลอดเลยนะ <c oughs> คนโกหกหลอกลวงใช่ไหมใจฟุ้นะงซ่านอี่ยเยยารารรกโกหกคนนี้อย่างนี้ต้องจําใช่ไหมโกหกนี่นะสมองเนี่ยถูกใช้ไปจําหมดเลยหน่วยความจําถูกใช้ไปหมดแล้วคิดอะไรพัฒนาอะไรไม่ก็จะได้หรอกโกหกคนนี้อย่างนี้โกหกคนนี้อย่างนี้พอสองคนนี้เจอกันต้องโกหกอย่างที่สามให้สองคนนี้เชื่อ ยากขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนคนพูดความจริงคนมีสัจจนะใจสงบใจสบายไม่ต้องคิดมากเลยความจริงก็คือความจริงงั้นศีลเนี่ยถ้าเราถือแล้วนะสมาธิจะเกิดง่ายนะใจมันจะสงบใจมันจะสบายหลจากนั้นเราก็มาฝึกเรื่องการให้ใจสงบฝึกเรื่องสมาธิวิธีฝึกสมาธิเนี่ยนะมันมีหลักง่ายๆสมาธิมีสองส่วนนะสมาธิที่ดีนะมีสองชนิด คืสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาไว้ทําสมถะเอาไว้ทําความสงบเอาไว้พักผ่อนแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นอารมณ์ไหลผ่านไปเรื่อยๆนะอันนี้เอาไว้เดินปัญญาทํำมิปัสสนา ก, กรรมฐานงั้นสมาธิังมีสองอย่างนะที่ดีส่วนสมาธิที่เลวก็มีสมาธิที่นั่งแล้วเครือบเคริ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นนอนเห็นนี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเอง ไม่มีประโยชน์อะไรหรือนั่งแล้วก็ขาดสตินั่งแล้วเคลิม้มนั่งแล้วเป็นบ้านั่งสมาธิอย่างนั้นสมาธิไม่ดีมีคนมาขยับใหม่เนี่ยพวกเราสนใจเขารู้สึกไหมใจเราวิ่งมาอยู่ที่เขาแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเราจะสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นนะเราลาเลยที่จะรู้สึกตัวเองมันทำให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะเราลืมตัวเราเอง นี่เรามาฝึกสมาธินะวิธีฝึกสมาธิให้จิตสงบเนี่ยง่ายๆถ้าเราไปทําอะไรที่ดีนะเราคิดบ่อยๆใจก็สงบอย่างเราไปทําทานมานะใจเราคิดถึงเราได้ทําบุญทําทานไปให้อาหารปลาให้อะไรงนี้นะไปไถ่ชีวิต ว, วัวควายไปคิดถึงแล้วมีความสุขไปคิดถึงมีความสุขเนะี่ยจิตจะเกิดสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไรมีความสุขนะสมาธิมันจะเกิด เพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะบางคนบอกนั่งสมาธิแล้วจะเอาความสุขที่จริงมีความสุขแล้วจิตถึงจะมีสมาธิสมาธิพอสูงขึ้นไปประณีขึ้นไปนะีไม่ได้มีความสุขมันเป็นอุเบกขานะเป็นอุเบกขาไม่ได้มีความสุขแต่ว่าความสุขเนี่ยเป็นเหตุให้ใจมีสมาธิอย่างคนที่มีความสุขในการเล่นไพ่ จะมีสมาธิในการเล่นไพนะ่ตํารวจมายังไม่รู้เลยนะนั่งคิดจะจั่วตัวน้นตัวนี้มีสมาธิดีนะหรือถ้าทํางานนะไม่อยากจะทํางานใจไม่มีสมาธิที่จะทํางานในเวลาไปดูบอลโลกนะตาแดงเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็ดูได้ทั้งคืนมันมีความสุขเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีความสุขนะสมาธิมันจะเกิดเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วก็มีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมนะ าดาคนอื่นแล้วมีความสุขเนี่ยจิตไม่สงบนะแต่ถ้าเราคิดถึงนะคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงคนที่ดีๆนะคิดถึงทานที่เราได้ทําแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษามาดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะคิดไปแล้วนะใจมันจะสงบใจมันจะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าด้วยใจที่สบายนะหายใจไปรู้ไปด้วยใจที่มีความสุขใจจะสงบ เห็นะพวกเราหลายค น, นฝึกนั่งสมาธิทำไงก็ไม่ยอมสงบสักทีเพราะว่าใจไม่มีความสุขถ้าเมื่อไร่รู้อารมณ์กรรมฐานไปด้วยใจที่มีความสุขนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วนะคล็รลับมันอยู่ตรงนี้เองควรจะฝึกไวนะ้เอาไว้ใช้ประโยชน์ในทางโลกนะเวลาที่เราทำงานเคร่งเครียดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องผ่อนคลายด้วยการไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปคุยนะแค่เราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่เสียสตัง ใจก็สงบแนละ้วเป็นความสงบที่ประณีตมากกว่าไปเที่ยวไปเล่นซะอีกนะเอาไว้พักผ่อนเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยเราทำงานเหน็ดเหนื่อยขึ้นมามีเวลาห้านาทีว่างๆแทนที่จะนั่งฟงุ้งซ่านก็นั่งหายใจไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกที่สบายๆเคล็ดลับอยู่ที่คำว่าสบายนะถ้าหายใจไปอย่างสบายใจจะสงบ พูดโทรไปอย่างสบายใจจะสงบนะเดินจงกรมไปอย่างสบายใจจะสงบอย่างบางบางคนเดินจงกรมแล้วเครียดเดินเราก็อยากสงบเดินแล้วอยากสงบในะใจเครียดไม่สงบอะ่ะเวลาเดินเล่นนะเดินชอปปิ้งนะสบายใจเดินได้ตั้งหลายชั่วโมงเดินจงกรมนะครึ่งชั่วโมงแค่ขาจะเด้งแนละ้วนเะพราะไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเรารู้จักเลือกนะเลือกอารมณ์ที่มีความสุขล้วก็อยู่กับอารมณ์มนั้นไป แจมจะไม่ฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นแจมจะสงบนะนี่คือสมาธิชนิดสงบมีประโยชน์อะไรเอาไว้พักผ่อนนะเวลาเราทำงานทางโลกเคร่งเครียดเราก็มาอยู่กับอารมณ์ความมฐานของเราได้ความสุขและความสงบสดชื่นนะอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนทำราชการทำงานที่เครียดมากเลยอยู่สภาวความมั่นคงงานนี้แต่ละเรื่องนัเครียดเยดท่านั้น อย่างเวลาเราจะประชุมเนีเราเตรียมเอกสารเตรียมอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้ว น, ะนั่งรอสมาชิกมาประชุมระหว่างนั่งรอก็ไม่นั่งด้วยเปลือยแ่้วว่างๆแล้วนั่งหายใจหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไปจะพูดโทด้วยก็ได้มีเวลานิดๆหน่อยๆก็ทําไปเนี่ยเวลาจะไปรอรถเมย์ไม่ได้รอแบบรุ่มใจรอนั่งยืนหายใจไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไป เพระนทุกเวลาที่มีเวลาว่างนะก็มาอยู่ขลมหายใจไปเรื่อยอยู่สบายๆเนะี่ยใจไม่ฟุ้งซ่านใจมีความสุขมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่สําคัญคือสภาวะแห่งความตั้งมั่นใจของเราไม่ตั้งมั่นใจของเราฟรงเคลิงตลอดเวลานะแกว่งไปแกล้งมาแกล้งไปแกว้งมาคนะือเวลาไปทํำสมาธิให้สงบมันก็นิ่งอยู่เฉยๆออกจากสมาธิ แล้วใจใจก็แกว่งต่อนะแว่งไปแกว่งมาก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนะแกว่งตลอดเวลาแล้วมาฝึกใจให้มันตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาวิธีที่จะฝึกใจให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ใช่การบังคับใจนะถ้าเราบังคับใจให้ตั้งมั่นนใจจะเครียดใจจะเครียดสมาธิที่ดีจะไม่เกิด เพราะฉะหลักของสมาธิเนี่ยเหมือนกันนะคือต้องมีความสุขวิธีที่จะทําให้ใจตั้งมั่นเนี่ยให้รู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นใจที่ไม่ตั้งมั่นคือใจที่ไหลไปไหลมาอย่างเมื่อกี้นี้นะมีคนมาปรับใหม่ให้หลวงพ่อใจเราวิ่งมาอยู่ที่เขาเนี่ยเวลาเราดูใจเราก็วิ่งไปดูเวลาเราฟังใจก็วิ่งไปฟังเวลาคิดใจก็วิ่งไปคิดใจเนี่ยจะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลานะ ทดสอบดูนะหลวงพ่อจะหยุดแป๊บหนึ่งนะแล้วเราเราลองทำใจให้ว่างๆไม่คิดลองดูซิอ้าวลองไม่คิดดูซิรู้สึกไหมมันคิดปมันแกว่งไปแกว่งมารู้สึกไหมไม่ต้องห้ามมันนะไม่มีทางทำได้หรอกที่จะไม่ให้มันมันกระเพื่อมไม่ให้มันคิดอ่ะเอาแค่ว่ามันไหลไปคิดเรารู้ทันมันไหลไปคิดเรารู้ทัน ลองใหม่ลองท่องในใจนะท่องพุโทโธพุธโทโธไปนะสังเกตไหมมันคอยฉลาบไปคิดเรื่องอื่นไปสังเกตเอานะวันนี้กลับบ้านไปลองท่องพุโทโธดูพุโทโธพุธโทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันฉลาบไปเดี๋ยวพุโทโธพุธโทโธอยู่ดีๆไปคิดเรื่องอื่นนะ้วใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแนละ้วให้รู้เฉยๆนะไม่ห้าม ถ้าห้ามแล้วใจจะอื่นอัดใจจะอึดอัดใจจะไม่เกิดสมาธิงั้นหายใจไปสบายๆหรือพุทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราคอยรู้ทันมันลืมพุทโธละลืมลมหายใจละค่อยรู้ทันฝึกรู้ทันใจที่หลงไปบ่อยๆนะฝึกรู้ทันใจที่ไหลไปบ่อยๆต่อไปพอไหลปุ๊บสติจะเกิดเอง เพระสติรู้ทันว่าจิตไหลไปนะสมาธิที่แท้จริงนยสมาธิที่จิตตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราสั่งจิตให้มีสมาธิไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตไหลไปเมื่อ น, นั้นจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัตินะจะตั้งอัตโนมัติเพรนั้นทุกวันต้องฝึกนะแบ่งเวลาตอนนี้เป็นเริ่มให้กันบ้านนะ แบ่งเวลาไว้วันหนึ่งสิบห้านาทีไม่มากสิบห้านาทีพวกเราเล่นเน็ตเล่นไลน์เล่นเฟซในะวันหนึ่งเกินสิบห้านาทีนะส่วนใหญ่หลวงพ่อสังเกตนะหลวพ่อไปดูมาหลายประเทศแล้วประเทศที่เจริญเนี่ยคนเขาไม่ค่อยเล่นในพวกเนี้ยประเทศด้อยพัฒนานะยิ่งด้อยมากยิ่งเล่นมากนะฉะนั้นเราเล่นมากขนาดไหนเนะี่ยมันเครื่องชี้วัดตัวหนึ่งเลยนะอย่างคนญี่ปุ่นคนเยอรมันคนอะไรเนี่ยไม่มานั่งทําอย่างนี้หรอกนะ แ่ของเรานี่มหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลามึงคนขับรถยังเล่นอยู่เลยนะขับรถยังทุกทำอะไรนี่เอาหมดอนะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะพอติดไฟแดงก็กวักขึ้นมาเล่นนะเนีนี่ใจมันหนีไปหมดมาฝึกตัวเองใหม่วันหนึ่งขอสิบห้านาทีเท่านะนะั้นสิบห้านาทีนะไหว้พระสวดมนต์สักสองสามนาทีพอไม่ต้องไหว่ยาว ไม่พาส่วนบนสองสามนาทีแล้วทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วค่อยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปนะเช่นหายใจเข้าพู้หายใจออกโทก็ไดนะ้หรือจะรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าโดยไม่พุดโทก็ไดนะ้หรือเดินจงกรมก็ได้ร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหนีวิคิดเรื่องอื่นหรือจิตมันไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐาน เช่นเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลไปคิดเราก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ทันถ้าเรารู้ทันวนะ่าจิตมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะฝึกบ่อยๆนะในสุดใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในชีวิตธรรมดา น, นี่เองนะไม่ต้องเข้าฌานเลยอยู่ตัวได้อยู่ได้ตลอดเลยไปฝึกซะตัวนี้สําคัญมากถ้าไม่มีสมาธิอย่างนี้แล้วก็ ไม่มีทางที่จะทําวิปัสสนากรรมาฐานได้จริงอย่างบางคนไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะไม่เคยฝึกเรื่องจิตมาก่อนมันก็ไปนั่งคิดเอานะหรือไปนั่งเพ่งเอาไปดูท้องก็ไปเพ่งท้องไปดูเท้าก็าไปเพ่งเท้าไม่ใช่วิปัสสนานะเพราะใจไม่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูงนั้นต้องค่อยๆฝึกนะให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาด้วยการทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันเวลาใจมันไหลไป ไหลไปคิดรู้ทันไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรามฐ า, านก็รู้ทันอย่เรารู้ลมหายใจจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันนะรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาเมื่สมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วเราก็ก้าวมาสู่บทเรียนสุดท้ายละบทเรียนบทที่สามชื่อว่าปัญญาสิกขาบทเรียนบทที่สามนี่แหละเป็นของที่ไม่มีในคําสอนของคนอื่นนะ มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การคิดเอานะแต่เป็นการเข้าไปสังเกตการนะเข้าไปสังเกตการความเป็นจริงของร่างกายสังเกตความเป็นจริงของจิตใจเข้าไปรู้เข้าไปดูมันทำงานนะนั่นไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งสมาธิแล้วไปเห็นไี้โน่นน่นี่นะคนละเรื่องเลยนั่นสมาธิที่ใช้อะไรไม่ได้จริง เนี่ยเราทำสมทธิเราเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานขณะนี้พวกเราส่วนใหญ่นั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่เนี่ยลองยิ้มหวานๆสิยิ้มยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเนี่ยรู้แค่เนี่ยพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายไปยักหน้าแค่รู้สึกนะแค่รู้สึก ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายหน้าบึ้งรู้สึกร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายเดินร่างกายนอนนะร่างกายทําอะไรก็คอยรู้สึกเอานะร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกแค่รู้สึกอย่าไปจ้องอย่าไปทําให้ใจเครียดเอาแค่รู้สึกเอายิ้มหวานรู้สึกไหมยิ้มเนี่ยรู้สึกร่างกายมันยิ้มนะรู้สึก หักรู้สึกหัดเป็นผู้รู้สึกใจของเราเป็นคนรู้สึกนะร่างกายมันแสดงไปใจเป็นคนรู้สึกเป็นคนดูนะในขณะ น, นี้ใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซีใครมีความสุขอ่ามือลงใครมีความทุกข์นะขขบ้างยกมือซีมีไหมมีความทุกข์ใครเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์บ้างยกมือสี แล้วเมื่อกี้นี้มีใครไม่ยกมือยกมือสิไม่ยกเพราะไม่รู้หรือไม่รู้หรือเปล่าว่าตอนีิสุกหรือทุกหรือเฉยเฉยหรือมัวแต่นั่งหลับเหมือไม่รู้หลวงพ่อถามอะไรนะที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนะถ้าความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันมีความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นเราก็รู้ไปแค่รู้สึกแค่รู้สึก แล้วเราร cool like ู้สึกแล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวอย่างเรารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายหายใจออกก็เป็นของชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็เป็นของชั่วคราวร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็เป็นของชั่วคราวร่างกายที่ขยับอย่างร่างกายยิ้มร่างกายพยักหน้าก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นมีแต่ของชั่วคราวเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย ความรู้สึกทั้งหลายก็เหมือนกันนะความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยก็เป็นของชั่วคราวหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็บังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้นะให้ใจมีความสุขเราสั่งไม่ได้เราสั่งว่าห้ามทุกข์ก็ห้ามไม่ได้สั่งให้ดีก็ทําไม่ได้ห้ามชั่วก็ทําไม่ได้เนี่ยเราคอยดูจิตใจของเราไปมันเป็นสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้มันเฉยเฉยเราก็รู้นะมันดีเราก็รู้มันโลภมันโกรธมันหลงเราก็รู้ แล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวร่างกายนี้ก็เต็มไปด้วยของชั่วคราวความรู้สึกทุกชนิดก็เป็นของชั่วคราวนะคอยรู้สึกลงไปเรื่ยๆต่อไปแนละ้วปัญญามันจะแก่กล้าขึ้นนะมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะภาษาบาลีบอกว่ายังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดามันนี้คือปัญญาขั้นต้นนะเป็นภูมิรู้ของพระโสดาบันนะพระโสดาบันรู้ตรงนี้ขึ้นมาก็อาศัยที่ได้เห็นความจริงในร่างกายเนืองเนืองเห็นความจริงในจิตใจเนืองเนืองเพาทุกอย่างมันของชั่วคราวนะนั่งอยู่ก็ชั่วคราวนอนอยู่ก็ชั่วคราวนั่งนี่ๆก็ได้ไม่ดานใช่ไหมนั่งนี่นงๆประเดี๋ยวก็เมื่ อ, อยก็ต้องขยับ ขยับไปขยับมาขยับอย่างนี้หายเมื่อยแล้วเดี๋ยวเมื่ อ, อยอีกก็ขยับอีกเนี่ยเรามันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะในร่างกายเนี่ยเนี่ยเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะพวกเราชอบเรียนรู้แต่สิ่งอื่นเราละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองเรากล่วกาว่าเราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะมันมีความรู้มากๆนะเราจะมีความสุขหรือว่าเอาความรู้นั้นไปทำมาหากินได้ได้เงินมากๆมีความสุขเป็นศาสตราจารย์นะก็ ท voyage, ทเทมากเลยมันมีไม่กี่คนในประเทศเรานะคงจะมีความสุขถ้าท่าอย่างนี้จะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขมีแต่คำว่าท่าอย่างนี้แล้วก็มีความสุขะความสุขที่มีเงื่อนไขทั้งสิ้นเลยนะแล้วมาฝึกใจของเรานะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนี่แหละนะแล้วมันจะมีความสุขโดยไม่ต้องมีเงื่อนไะขความทุกข์มันจะค่อยๆลดลงลดลงนะคอยดูความจริงในร่างกายคอยรู้สึกถึงความจริงในจิตใจค้ยรู้สึกไป นะร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะจิตใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะมีแต่ของที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยในร่างกายในจิตใจนี้ถ้าเรารู้อย่างแจ่มแจ้งตัวนี้นะมันเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเป็นปัญญาเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา นะพวกเราเนี่ยยังไม่จัดว่าเป็นโสดาบันนะขนาดพระโสดาบันยังมีปัญญาเบื้องต้นเลยเห็น mm. ไหมแล้วพวกเราอ่ะจะเรียกว่ามีปัญญาระดับไหนไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะนะนะปัญญาอ่อนมันชื่อเฉพาะพวกเราไม่ใช่พวกปัญญาอ่อนพวกเราฉลาดแลนะพวกเราส่วนมากก็เก่งแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาปัญญาของจิตใจของเราขึ้นมาถนะนะนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนระจะได้ปัญญา เรารู้ความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยเวลาเรารเผชิญกับความสุขเราไม่หลงระเริงถ้าเรารู้ว่าความสุขเกิดแล้วดับเวลาเรารเผชิญกับความทุกข์เราไม่เศร้าโศกเสียใจเพราเรารู้ว่าความทุกข์เกิดแล้วก็ดับใช่ไหมอะไรๆก็เกิดแล้วก็ดับความสมหวงังความผิดหวังเนี่ยจะไม่ทําให้ใจเรากระเพื่อมบั่นใบามากจะลดลงไปเยอะเลยเพราะนั้นโลกนี้จะกระทบกระทั่งเข้าถึงใจเราได้น้อยลงน้อยลงนะค่อยๆฝึกไป ถ้าเป็นปัญญาขั้นกลางมันจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกปัญญาขั้นสูงสุดเนี่ยจะเห็นความจริงว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกแล้วมนจะปล่อยวางทั้งรูปปล่อยวางทั้งนามได้จิตจะเข้าสู่อิสรภาพที่แท้จริงนะแต่ว่าอันนี้มันไกลไปนิดหนึ่งเราเอาโสดาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเรียนต่อนะและ ว, วันนี้พอสมควรแก่เวลานะสรุปถือศีนห้านะเอาศีลห้าข้อพ อ, อไม่ต้องถือเยอะนะ ไม่ต้องขอใครตั้งใจรักษาเอาเองข้อสองแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบอย่างน้อยวันหนึ่งสิบห้านาทีนะนะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหรือเดินจงกรมรู้สึกตัวไปแล้วนะใจมันหนีไปมันลืมกายมันลืมใจให้คอยรู้ทันเวลามันลืมตัวเองนะมันจะได้สมาธิชนิดที่ใจอยู่กับตัวเองประการที่สามก็คืออยู่ในชีวิตประจาวันเนี้ยเจริญสติจเจริญปัญญาไป พิธีเจริญสติปัญญาในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยากนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกนะอารมณ์ดีอารมณ์มชั่วโรคกรดหลงเกิดขึ้นคอยรู้สึกไปแล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปนะนี่ยคือการเจริญปัญญาไปฝึกนะไม่ยากหรอกอะสมควรแก่เวลามีส่งกันบ้านไหมนวัสการ์อาจารย์ค่ะ ทําทในรูปแบบโดยใช้เมตตาคุณังอารหังเมตตาเป็นวิหารธรรมอะค่ะบางทีก็พุทโธตอนนี้ันนั้นใ ช, ใช้จิตเป็นวิหารธรรมเดี๋ยวเราบริกรรมเนี่ยนะไม่ใช่ใช้คําบริกรรมเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมต้องอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนะงั้นอย่างเราบริกรรมเมตตาคุณังอารหังเมตตาหรือบริกรรมพุทโธเนี่ยเราค่อยรู้ทันจิต บริกรรมเมตตาไปจิตมีความสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะเดี๋ยเตียไปต่อได้แต่ถ้าบริกรรมแล้วอยู่กับการบริกรรมจิตจะสงบเฉยๆไม่ไปต่อต้องไงอีกเต้นๆค่ะเมื่อกี้ก็นั่งฟังสบายสบายแต่พอพายอาจารย์บอกวันนี้แค่นี้ก่อนใจจะทุบๆตลอดเลยค่ะแล้วก็ จะขอกันบ้านนะคะว่ากิเลสตัวไหนที่ต้องดูเป็นพิเศษปกตินะปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมใกล้เคียงค่ะเหมือนอย่างนี้เหรอถ้าจิตปกติเหมือนอย่างนี้ติดเข่งนะจะนิ่งๆทื่อๆไปนะนึกถึงสมัยที่เรายังไม่เคยภาวนาสมัยเราเด็กๆจิตมันเป็นธรรมชาติธรรมดามากกว่านี้ ตอนนี้เราเป็นนักปฏิบัติมาเราอยากให้มันดีเราก็เปประคองไว้ไปรักษาไว้อย่าไปรักษามันปล่อยให้มันทํางานไปเด็กๆเกนี่ยนะมีข้อดีคือจิตใจมันเป็นธรรมชาติข้อเสียคือมันไม่มีสติพวกเรามีข้อดีคือเรามีสติมันมีข้อเสียคือจิตเราไม่เป็นธรรมชาตินั้นปล่อยให้มันทํางานแล้วรู้อย่างที่มันเป็นอย่าบังคับมันแต่ถ้ามันติดบังคับนะให้ดูร่างกาย ดูล่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปใช้การคิดใช้การพิจารณานะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจะทําให้จิตคลายออกจากที่ล็อกอยู่ตอนนี้จิตติดล็อกสนะิแต่ถ้าตื่นเต้นแล้วเป็นแบบนี้ตอนปกติไม่เป็นอย่างนั้นใช้ได้นะแต่ถ้าตอนปกติก็เหมือนตอนนี้ใช้ไม่ได้ละปิดเพ่ง ก็มีที่ไม่เหมือนตอนนี้เหมือนกันอยู่บ้างคือแต่ hmm? แต่จะรู้ตัวว่าประคองอะคะ่ะเออประคองแล้วอยู่ในชีวิตจะจำบันเนี่ยประคองไหมเวลาไม่เจอหลวงพ่อประคองไหมไม่ไม่ประคองค่ะเออถ้าไม่ประคองก็ใช้ได้นะล้วประคองตลอดใช้ไม่ได้ถ้าอยู่ข้างนอกแล้วรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้า ง, า ง, างดีกว่ารู้ตลอดแล้วก็เพ่งไว้ทื่อๆนะแล้วไปทอีกเวลานั่งสิบห้านาทีอะคะ่ะในรูปแบบจะ จะค่อนข้างฟุ้งอะค่ะจะรู้สึกว่าไปคิดโน่นคิดนี่เยอะหลวพุทธชาติเต้อเสียงเป็นกล้องหลวพ่อเวลาทำในรูปแบบสิบห้านาทีอะค่ะจะรู้สึกว่าจะค่อนข้างฟุ้งอะค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วก็จะคิดคิดไปเรื่อยอะค่ะนั่งคิดไปเรื่อยค่ะแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจแล้วก็ไปคิดอีกอะค่ะถ้ามันชอบคิดนะเราก็พามันคิดเลยคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มันคิดไป แต่ว่าเรากำหนดเรื่องที่คิดอย่างคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธนะ <c oughs> แล้วคอยรู้ทันเวลามันหนีไปคิดเรื่องอื่นะพอฝึกมากๆต่อไปเนี่ยมันนีปุ๊บรู้ปั๊บหนีปุ๊บรู้ปั๊บจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นขอกันบ้านค่ะฮะขอกันบ้านค่ะให้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไปไปถัดต่อแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไป <c oughs> นมัสการนะหลวงพ่อครับ อส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายนะหลวงพ่อให้ไปพิจารณากายอะครับแต่ว่าในชีวิตประจำวันปกติผมใช้ภาวนาพุโทโธครับทีนี้เพ่อฝังไม่ค่อยออกเอในชีวิตประจุวันผมใช้ภาวนาพุโทโธครับเออทีนี้เอการพิจารณากายเนี่ยผมทําสลับกับพุโทโธไหมครับหรือว่าเราจะแยกสัดส่วนกับมันยังไงครับหลวงพ่อมันไม่เรื่องมากขนาดนั้น รเราพุโทโธพุโทโธไปนะพอใจเราสบายแล้วเนี่ยะมันนิ่งๆเฉยๆค่อยพิจารณากายเพง่อ ก, กระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยแต่ตอนนี้ติดไม่มากแล้วล่ะมันคลายออกไปเยอะแล้วครับคือตอนที่หลวงพ่อบอกผมใหม่ๆพี่นากายผมพี่าากายทั้งวันเลยะนั่นแหละมันไม่ติดแล้วนะคก็มันไม่ติดแล้วมันค่อนข้างฟุ้งไปด้วยซ้ําไปอพุโทโธไว้ก็พุทโธไว้เออ มันเหมือนเราขับรถยนต์อ่ะเดี๋ยวก็เหยียบเบรกเดี๋ยวก็เหยียบคันเร่งนะจังหวะไหนควรจะเหยียบเบรกจังหวะไหนควรจะเหยียบคันเร่งสอนกันไม่ได้หรอกคือถ้ามันรู้สึกว่ามันนิ่งๆปุ๊บก็ไปพิจารณาถ้ามันนิ่งมันนิ่งมันเฉยๆอ่ะครับถ้ามันเฉยก็พิจารณากายแล้วแล้วต้องมากขนาดไหนครับหลวงพ่อครับพอพิจารณาไปแล้วใจฟุ้งซ่านนะก็กลับมาพูดโธใหม่อ๋อพอฟุ้งซ่านแล้วก็พูทโธใหม่เออทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่สลับกันไปครับตอนนี้ดีแล้วลาตอนนี้มันไม่ได้ติดเพงล มันค่อนข้างฟุง้งด้วยซ้ำไปอ๋อค่ะถ้าฟุ้งปุ๊บ ก, ก็ต้องพุทโธใช่ใช่พุทโธฟุ้งก็คือมันช่างคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้แทนที่ปล่อยมาคิดสเปสสปาให้มันไาคิดพุทโธซะครับครั บ, ร บ, รบขอขอบพระคุณหลวงพ่อ ค, ครับก่อนอื่นหนูขอกคคับขอขมาหลวงพ่อค่ะหนูไปทำมิจฉาสมาธิค่ะแล้ว หนูได้รับคำแนะนำว่าหนูควรจะพาจิตมันไปดูเหมือนกับว่าจิ ต, ตนะมันชอบแต่ว่าปัญหาของหนูคือคือได้หนูได้รับคำแนะนำว่าให้พาจิตไปดูให้เห็นว่าจิตมันชอบแล้วก็จะได้เห็นว่าผลจากการทำเนี้ยมันทำให้ตึงแน่นแล้วก็แข็งแล้วก็ทื่อจิตจะได้คลายจากจากสิ่งที่ติดอยู่นั้นแต่ว่าปัญหาของหนูคือหนูไม่เห็นว่าจิตมันชอบค่ะ หนูก็เลยไม่กล้าที่จะทำในรูปแบบเลยเพราะว่าพอทมแล้วมันก็ลงไปตรงนั้นอีกะค่ะหนูก็คือจะดูแต่ว่ามันกลัวจิตมันกลัวเห็นได้แค่นั้นนะคะกลัวรู้กับกลัวเอาไจงใจทำสมาธิใช้ให้จิตตึงเหรอคือคือเริ่มต้นจากการที่หนูคิดว่าหนูขาดสมาธิมันเป็นความโลภ แล้วก็ความโง่ของเราค่ะคือตอนนี้น ะ, ะมันไม่ได้ติดสมาธิอะไรแล้วไม่ได้ติดอะไรมากแล้วล่วะรู้สึกไปรู้สึกที่ร่างกายนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกใจเราเป็นแค่คนดูไปร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกใจเป็นแค่คนดูไปหนูเป็นคนรักกายนะเป็น ค, ค, คนรักสวยรักงามเนีย่ยเรามีสติรู้ทัน ร่างกายไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนรู้สึกเป็นแค่คนดูฝึกอย่างนี้แต่อย่าไปประคองใจให้นิ่งะนะให้ใจเป็นคนดูสบายๆไม่รักษาให้นิ่ง ค, นะค่อยๆฝึกไปดูกายมันทำงานด้วยใจที่สบายๆจำประโยคนี้ไว้นะดูร่างกายทำงานด้วยจิตใจที่สบายๆหนูยังอยู่ในเส้นทางยังอยู่ยังอยู่ขอบพระคุณค่ะ แต่ว่าตอนนี้จิตไม่เข้าถามดูออกไหมจิตมันกระจายออกไปข้างนอกแล้วเรารู้สึกหายใจสิหายใจแล้วเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาหายใจอย่างมีความสุออกพอแล้วรู้สึกไหมว่ามันไม่เหมือนกันเอออย่าให้มันไหลไปหลงไปข้างนอกน ะ, ะใจมันอยู่ในเนื้อในตัวเรานี่แหละแล้วเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทางาน ใจมันอยากพูดรู้สึกไหมเห็นดันขึ้นมาดัน ใ, ให้เรารู้ทันใจที่อยากพูดเห็นไหมหอยากอีกแล้วเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ให้ใจมันอยู่กับตัวเองว่อความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทัน <c oughs> ก็จะเห็นว่าความอยากเนี่ยเกิดได้เองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปถ้าดูจิตใจไม่ออก <c oughs> ก็ดูร่างกายเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนมันไม่ใช่ตัวเราดูมันมุมนี้ไปเรื่อย แล้วถึงแม้ว่าเวลาที่เราทําในรูปแบบแล้วมันจะไปในทางที่ไม่ไม่ถูกเราก็ปล่อยมันอืให้รู้ทันสิไม่ใช่ปล่อยมันคือคือรู้ทันแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าให้มันกลับมาหรือว่าเราควรจะหยุดไปเลยคะทําอะไรละ่ะอธิบายหน่อยมันจะรู้สึกถึงความเย็นในช่วงล่างของร่างกายค่ะมันจะเป็นความเย็นขึ้นมาเฉยๆอย่างเวลาที่หนูฟังหลวงพ่อ บางทีมันก็เย็นขึ้นมาว่านั่นเป็นเรื่องสมาธิค่ะหนุก็ไม่ต้องสนใจให้รู้ทันทใจให้รนะร่างกายเย็นใจชักไม่ชอบลนะรู้วไม่ชอบนะหรือร่างกายเย็นขึ้นมาใจชอบรู้ว่าชอบนะนิมิตทางกายเกิดขึ้นนะก็ให้รู้ทันใจไปนิมิตอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันใจไปอันนั้นก็แค่นิมิตอย่างหนึ่งเท่านั้นนะค่ะขัดขอบคุณค่ะ ครับกลับธรมรมดานั ก, กานครับหลวงพ่ อ, อดู youtube ของหลวงพ่อมาประมาณห้าเดือนครับปฏิบัติในรูปแบบครับยืนเดินนั่งนอนสังเกตหรือเปล่า ว, ว่ากายกับใจเป็นคนละอันครับขันมันเริ่มแยกแล้วครับขันมันแยกได้แล้วแต่อไปนี้ดูเขาทางานไปไม่ใช่เราครับากายไม่ใช่เราความรู้สึกขนา น, นี้ใช่ไหมรู้สึกไหมมันมีปีติเกิดขึ้นครับ ปีติก็ไม่ใช่เรามันเกิดเองเนี่ยเฝ้ารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับแล้วก็ไปดูตัวนี้ด้วยมันจะแทรกขึ้นมาคือตัวกูเก่งตัวเซลลจัดมันจะเกิดขึ้นให้รู้ทัน อ, อ้าหานขอการบ้านครับหลวงตาให้แล้วนะเนี่ยเ <laughs> นี่ยขอการบ้านทั้งนั้นเลยเนี่ยกลับนมัสการหลวงพ่อค่คนะ ตอนนี้เพ่งอยู่หรือเปล่าเพ่งอยู่ค่ะเออเพ่ง<ล>ให้รู้ไงเอออึดอให้รู้นะหายใจแรงๆแล้วถอนใจรู้จะถอนหายใจไหมอ้าปากก็ได้อย่าให้พ่นน้ํำลายออกมาเท่านั้นนะรู้สึกเปล่าว่ามันคลายลงดีขึ้นบ้างคนะ่ะเออมันหนักก็รู้นะมันเบาก็รู้เรยเห็นว่ามันเป็นไปเอง เราบังคับมันไม่ได้เนื้สภาวะทั้งหลายในความรู้สึกนะเกิดเองดับเองมาเองไปเองอย่าสล้ำลงไปจ้องอย่างนี้ถลําลงไปจ้องแนละ้วถอยขึ้นมาไม่เอาอย่าไม่เอาเอางยหน้าลืมการปฏิบัติก่อนอยู่ตรงนี้นะอย่างเมื่อกี้มันมุดลงไปไม่ถูกรู้สึกตัวอย่างนี้ไม่เข้าไปห้องใน นะเมื่อกี้หลงเข้าข้างในให้คอยรู้ทันนะธรรมชาติของหนูนะฟุงงซ่านเก่งใช่ดนะังนั้นหนูหายใจใหายใจออกรู้สึกหายชจเข้ารู้สึกแล้วถ้าใจหนีไปคิดรู้ทันไม่ครับว่ามันก็กลับมาหายใจใหม่หายใจไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้รู้สึกไหมใจมันฉกฉลับซ้ายฉลับขวาไปไม่ห้ามนะแต่ว่าฉลับไปฉลับมาให้คอยรู้ทันไปทาเอาไป ให้กันบ้านลนะขอบคุณคุณหลวงพ่อค่ะนามัสการหลวงพ่อค่ะขอสองคำถามนะคะหนูเริ่มปฏิบัติกับหลวงพ่อประมาณสามปีที่ผ่านมานะคะในปีแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเห็นกิเลสตัวเองทุกตัวเลยทั้งคุ้งสร้างทั้งมุ่หิตที่กดสารพัดแต่ว่า หนูเริ่มฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยพร้อมๆกับสามีเขาก็ก้าวหน้าเอาก้าวหน้าเอาส่วนหนูเนี่ยก้าวหน้าบ้างถอยหลังบ้างอยู่อย่างเงี้ยค่ะสามีบอกว่าหนูเหมือนคนที่จับกระทะแล้วรู้ว่าร้อนแต่ปล่อยไม่เป็นจนครั้งหนึ่งหนูก็เลยพยายามทำในรูปแบบให้เข้มข้นขึ้นพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นได้สักพักหนึ่ง ก็เกิดสภาวะอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเจอคือรู้สึกเราไปไปรู้ตามความคิดเร็วขึ้นแล้วเราก็เริ่มแน่นอย่างเช่นว่าเวลาหนูเดินผ่านทีวีหรือเปิดไลายที่เลื่อนมาอ่านข้อความบางข้อความแล้วมันจะแน่นเพราะว่าเราไปรู้ตามความปรุงแต่งของตัวเองสามีก็บอกว่าให้ปล่อยผ่านให้ได้ให้เราเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นมันเกิดจากจงใจจงใจรู้มากไป นะอย่างอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแน่นรู้บ้างนะเผลอบ้างแล้วพอสักพักหนึ่งสา ม, มีก็บอกว่าให้ปล่อยคราวนี้พอปล่อยแล้วมันไหลเลยเ <c oughs> มันกลับมาไม่ได้ตอนนี้เหมือนกำลังเดินถอยหลังหรือเปล่าทนายทำอะไรไม่ได้ก็ทำสมถนะใ้ใจออกรู้สึกใ้ใจเข้ารู้สึกไปทำอะไรไม่ถูกทำสมถนะแล้วก็คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง รู้สึกไห้ ใ, ใจเราไม่ต้องดูเยอะหรอกในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยสุขทุกข์เฉยเฉยสามอย่างเนี้ยหมุนเวียนอยู่ในใจตลอดเวลานะคอยรู้ทันมันสุขขึ้นมาก็รู้มันทุกข์ขึ้นมาก็รู้มันเฉยเฉยก็รู้ให้เห็นมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เองมันเฉยเฉยของมันเองนะรักษาไว้ไม่ได้ไม่ต้องรักษาอยอ่างนี้ไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มคลายลงเนี่ย หนูก็รู้สึกว่าเหมือนจะย่อหย่อนใช่ไหมคะก็แต่ว่าในในการปฏิบัติเนี่ยคราวนี้มันกลับเป็นการทําที่แบบว่าไม่ได้อยากเหมือนช่วงปีแรกๆที่แบบว่าหยาัดมันฝันนา<ำ>ดีขึ้นแล้วล่ะนะต่อไปนี้นะ่ะค่อยดูไปสุขก็รู้ทุกก็รู้เฉยก็รู้นะดูไปสบายๆดูเป็ดปแล้วล่ะอีกคําถามสําหรับเด็กๆค่ะหนูหนูมีลูกสามขวบกับหกขวบนะคะ แล้วสามีก็พยายามให้เขาเนี่ยเห็นสภาวะแบบรู้ทางตามความเป็นจริงฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกโกรธหรือร้องไห้เนี่ยเขาก็จะไปบอกว่าหลูกรู้สึกอะไรครับรู้สึกโกรธใช่ไห ม, มแล้วก็เราก็จะพยายามสอนจะ ส, สอนสองคนแต่ตุวคนที่จําได้เนี่ยก็คือจะตัวเล็กก็พ่อก็จะถามว่าเวลาโกรธทํายังไงให้หายเร็วรู้ไหมนะก็คือเขาก็จะตอบว่าก็าปล่อยให้ผ่านไปเร็วๆนะคะ แต่ว่าเราพอวันนึงวลาที่เจ้าตัวโตโกรธเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเฮี้ยวมากเราก็จะยืมมือเจ้าตัวเล็กเนี่ยแหละค่ะบอกพี่ว่าเนี่ยพี่กรดอยู่นะต้องทํายังไงเหรอลูกถึงจะหายไปเจ้าตัวเล็กก็จะตอบว่าให้หายไปเร็วๆทีนี้เจ้าตัวโตโกรธหนักกว่าเดิมเจ้าค่ะคืออยากเอาลูกไปเทียบกันนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันเกลียดกันเด็กแ ต, แต่ละคนก็มีเส้นทางพัฒนาของตัวเอง เราไม่เอาเด็กคนหนึ่งเทียบกับคนหนึ่งนะเดี๋ยวให้เด็กมัรู้สึกเทียบกันมากแต่ว่าการแนะนำา ก, กนารสองแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมคะมีแนะนำสำหรับเด็กๆง่ายๆที่เขาจะเข้าใจได้ดี<ง>เห็นภาพง่า ย, ายๆก็แค่ให้หรู้สภาวะไปนะมีคนหนึ่งจัดคอร์สสอนเด็กนะแล้วเขาเรียกความรู้สึกต่างๆว่าผีเ <c oughs> ห็นไหมผีขี้โกรธผีขี้กลัวนะผีขี้อ้อน รู้สึกไหมผีต่างๆเนี่ยเข้ามาในใจมีเด็กตัวหนึ่งเก่งมากเลยพกขวบเห็นผีขี้เบ่งมันบอกได้เองเลยตอนนี้ใจในใจมีผีขี้เบ่งหัดดูสภาวะไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องเจอนะคือตอนเป็นไปรุ่นเนะี่ยไม่สนใจหรอกเขาต้องไปเรียนรู้โลกข้างนอกนะอนั้นที่เราฝึกอบรมไ้เนี่ยถึงจุดนึงเขากลืม แต่ว่าโตขึ้นแล้วนะก็จะกลับมาเรียทูใหม่เวลาก็มีปัญหาน ะ, ะไปมันต อ, อบไปหนูกราบขอพระคุณนะคะจะตั้งใจเป็นแม่ที่นำพาลูกชายทั้งสองสู่เส้นทางอาริยะของพระพุทธเจ้าไปตลอดชีวิตเจ้ะเอานุโมทนานะเราทำให้เขาดูทำตัวเองให้เขาดูนมาสการแลวงพ่ครับ ส่งกานบ้านครั้งที่แล้วคุงพ่อก็บอกว่าออภาวนาได้ดีแล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มเละนะครับ ม, มันจิตจะไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าที่ควรแล้วก็คราที่แล้วขุงพ่อให้การบ้านเอาว่าให้ไปดูว่าทุกการกระทามันมีตัวเราอยู่เบื้องหลังขึ้นมาีนี้ผมไปเห็นตอนที่ขับรถนะครับ mm. ขับรถแซงคนที่ข้างหน้าเขาจับชา พอเราแสงขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเห็นแวบขึ้นมาว่ามันมีคือมันมีตัวเราอยู่เอเราอยากจะแสงมันมีตัวเราแวบขึ้นมา ช, ะ ช, ะชะมัดๆภาวนานได้ดีขึ้นแล้วล่ ะ, ะนะรู้สึกเปล่าการปฏิบัตินางดีขึ้นแล้วล่ะต่อ<ะ>ไปเราก็ดูสภาวะไปเรื่อยๆไม่มีเราสักที่หนึ่ง<ะ>ไปทําอีกป๊ไหมถูกแล้วชอบรบรัรรรู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นนะ รู้สึกไหมโลกมันหางออกไปกนั่นแหละดีแล้วจักหวะนัสศกาาหลวงพ่อครับก่อนเอ่งก็ขอเข้ามาหลวงพ่อแล้วก็ อ, อยากสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติช่วง แ, แรกๆก็เพ่งคล้ายๆคนก่อนนะครับแล้วก็ช่วง น, นี้ก็สักสองสามปีก็ปล่อยให้เผลอเยอะขึ้น ไม่ไม่สามารถโทรหรือเปล่าเราไม่ได้ปล่อยให้เผลอหรอกนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าใจมันเผลอเรารู้ว่าเผลอเแต่เราไม่ได้บังคับว่าจะต้องรู้ตัวตลอดเวลาถ้าเราพยายามบังคับว่าจะรู้ต uh> ัวตลอดเวลาใจมันจะเครียดงั <t uh> <t uh <t uh> <t uh ้นเราก็หายใจไปพุทโธไปอะไรก็ได้ทํากรรมฐานไปแล้วเผลอเรารู้ว่าเผลอเราไม่ได้ปล่อยให้เผลอนะเผลอเรารู้ว่าเผลอก็จะกลับมาดูบางทีก็ มันนานไปนนนอออย่างคนที่นั่งข้างๆนะพอนานดีจิตส่งกันบ้านเสร็จะแต่เมื่อกี้ก็เผลอฝังแใจมันไหลวูบไปดก็รู้ว่าอะไรแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นสภาวะมันเกิดดับไปเมื่อกี้จิตมันไหลไปได้เองแล้วใจก็ตั้งมั่นขึ้นมามันก็ไหลอีกก็ตั้งมั่นอีกแค่นี้ก็พอละก็จะเห็นว่า ความรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับนะการที่จิตไหลไปเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนี่เราคอรู้ทันจิตที่ไหลไปหลงไปนะพอะไหลไปเรารู้ไหลเรา ร, ร, ร, ารู้รู้บ่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันเข้าใจจิตมันไหลได้เองดูออกไหมมันไหลได้เองเวลาสึกเนี่ยรู้สึกตัวเราไม่จงใจรักษานะถ้วรักษามันเหมือนว่าจิตนี้เป็นอัตตาเราบังคับได้ควบคุมได้ เราจะปล่อยให้มันทํางานตามธรรมชาติเราก็จะเห็นว่าจิตมันไหลได้เองจิตมันรู้สึกได้เองเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ปล่อยให้มันทํางานไดาจะรู้ว่าจิตที่ไหลก็เป็นของชั่วคราวจิตที่รู้สึกก็เป็นของชั่วคราวรู้สึกไหมจิตไหลก็ชั่วคราวจิตรู้สึกก็ชั่วคราวเนี่ยฝึกดูอย่างนี้บ่อยๆแล้วจิตมันจะเจริญปัญญาแล้วก็ตัวผู้ดูหรือว่าผู้รู้นี่คือ บางครั้งก็เหมือนแบบคงที่แต่หลังๆก็อยาให้คงที่ให้นเป็นธรรมชาตินะถ้าตัวรู้คงที่เนี่ยมันมากไปเราจะเห็นว่าตัวรู้เนี่ยเกิดดับเกิดดับถ้าเห็นตัวรู้เกิดดับอยู่ใช้ได้นะถ้าเห็นว่าตัวรู้เที่ยงเนี่ยใช้ไม่ได้นะสังเกตไหมตัวรู้ของเราเกิดดับนั่นแหละดีไม่ใช่ว่าห้ามห้ามเผลอไม่ใช่ งัมีตัวรู้ตลอดเวลาเลยไม่เคยเผลอเลยใช้ไม่ได้นะคใช่เห็นว่าตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันท่านนี้ก็ทําประมาณนี้ไปทําได้ครับขันก็แยกแล้วมีชดภูมิใจอะไหนักหนาดูออกเปล่าล่ะครับขันมันก็แยกแล้วครัแต่มีอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่กล้าถามะว่าถ้าจะดูแบบ พูดทำได้ตัวเองจะรู้ได้ยังไงครับว่าดูกิเลสครับดูกิเลส น, นะอย่างเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเรานี่ตัวเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาบางคนดูลงมไม่มีเราละเป็นโสดาไม่ใช่หรอกเดี๋ยวก็เกิดอีกมันต้องดูตอนที่ใจเป็นปกติใจเป็นธรรมดาไม่ได้ส่งสมาธิอยู่แล้วก็สังเกตเวลามันคิดอย่างเวลาที่ใจมันคิดเนี่ยมันจะมีเรา ตัวเรานะีซ่อนอยู่หลังความคิดเหมือนเป็นเงาที่แฝงอยู่ข้างหลังความคิดอีกทีหนึ่งถ้านะค่อยสังเกตไปงั้นการวัดภูมิธรรมเนี่ยวัดกันด้วยกิเลสว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละกิเลสที่ละแล้วนะเป็นสมุดเฉดไหมหรือว่าละชั่วคราวแล้วกลับมาใหม่เนะนี่ยเราดูที่ตัวนี้ไม่ได้ดูที่ว่าจิตสว่างแค่ไหนบางคนไปดูว่าจิตสว่างแค่นี้เป็นโสดา สว่างแค่นี้สักตาคาใช้ไม่ได้หรอกพวกสงชาเนี่ยจิตสว่างมากเลยทั้งที่เป็นปุถุชนก็ขอกับขอเป็นพุทธบูชาแก่หลวงพ่อให้ร่างกายหลวงพ่ อ, อ, อ, อ, อนนะแข็งแรงครับเอินอนุโมทนานะหลวงพ่อแข็งแรงตามไว้แล้วนะธมัาสการค่ะพระอาจารย์อืมออค่ะเอ่อหน้ากลางปีอค่ะหนูมาส่งกันบ้านพระอาจารย์ คือเห็นจิตมันไหวๆแล้วพระอาจารย์ให้ไปดูว่ามันเออไปดูให้มันเป็นกลางอะ <c oughs> เห็นหรือเปล่าว่าโทสะแท้แตะโทสะแทกไม่ชอบอะลำคาณะเดี๋วเห็นมันมันจะร้อนๆอยู่รอบๆจิตอ้ค่ะร้อนๆนั่นเป็นปกตินะ ม, มันมีไฟคือกิเลสเนยแผดเผาอยู่ตอลอดเวลาจิตอะ่ะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ มันแผดเผาอยู่เ<ะ>นี่ยเราก็แค่รู้แค่เห็นจิตจะมีราคาหรือจิตจะไม่มีราคาเราก็บังคับไม่ได้<ะ>จิตจะมีโทสะหรือไม่มีโทสะเราก็เลือกไม่ได้<ะ>จิตจะหลงหรือจิตจะรู้สึกตัวก็สั่งไม่ได้เ<ะ>นี่ยดูสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆมันครั้งที่เราดูเห็นมัน คือมันเหมือนกับมันกลายเป็นสองมิติอะค่ะแบบเหมือนหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยเป็นคนปกติมาก่อนเลยแล้วมันก็กลายเป็นคนปกติอ่ะถูกคนในโลกเนี่ยนะเนหะมือนคนหลงถ้าใจเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเราถึงจะรู้ตัวว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนะี่ยไม่เคยรู้สึกตัวเลยนึกว่ารู้ตัวนะนึกว่ากูแน่แกูหนึ่งที่จริงไม่เคยรู้ตัวเลยในโลกแต่ไม่ใช่คนหลง พอเราตื่นขึ้นอย่างแท้จริงวางทีใจหายเลยเมื่อก่อนนี้หลงอยู่ตลอดนะึกว่าดีสูกแล้วล่ะอ mm hmm. ย่าไปบังคับจิตนะขณะนี้บังคับจิตอยู่จะทำให้จิตเกร่งเครียดยิ้มหวานหๆซิยิ้มเรา ส, สังเกตไหมใจมันคลายเนี<ะ>่ยคอยรู้ทันใจมันขบวดเข้ามาก็รู้ใจมันคลายออกก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปสบายๆ คิดเยอะไปมีจุดอ่อนตรงที่คิดมากมนี่แหละงั้นอย่ไปปล่อยใจฟุ้งซ่านไปใจใจหนีไปคิดแล้วรู้หนีไปคิดแล้วรู้รูปแล้ ว, วใบวัแต่ไม่ห้ามนะคเราช่างคิดพอช่างคิดสิ่งที่ตามมาคือช่างสงสัยจะตามมาเป็นชุดชชไปรู้สึกนะรู้สึก <ขอ S 2> ไหมตัวอะไรมันยิบ ตัวรู้สึกแหมร่างกายมันยิ้มตัวรูปมันยิ้มนั่นแหละขันหนูแยกแล้วกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งมันแยกแล้วแต่อย่าไปบังคับใจให้นิ่งๆ ใ, ให้ร่างกายมันทำงานไปตามธรรมชาติให้จิตใจทํางานไปตามธรรมชาติแล้วเราก็แค่มีสติรูร้ทันมันไปตามรู้มันไป ใ, ในตอนนี้ใจไหลไปคิดอีกแล้วทราบไหม นั่น แ, แ, แหละนั่นแหละไหลเว่ออย่างเงี้ยนะแล้วมันไปนหลงอยู่ในโลกของความคิดมันไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกกลับมากลับมากลับมาให้ได้นะคนสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะาอาจารย์กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นไหมตื่ น, ตนเต้นค่ะคนนี้น่าสงสารที่สุดในห้องเลย ส่งการบ้านกรสุดท้ายออนั่งลุ้นมานานไม่มีความสุขออส่งการบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อรู้หเห็นหรือเปล่าว่ากายกับใจมันผละดูอ อ, ออกยังนะเนี่ยขันมันแยกได้เห็นไหมตัวนี้พยักหน้าใจเราเป็นคนรูนะ้ตัวนี้ยิ้มตัวนี้หน้าบึง้งตัวนี้สุขตัวนี้ทุกข์ในะครรู้ไปรอบตรวจลงเกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้อีกไม่ใช่ตัวเราสนันเดียว ตัวอะไรถูกรู้ตัวนั้นไม่ใช่เราสักอันเดียวหัดนะดูไปเรื่อยๆขันแยกได้แล้วใช่ไหมแยกแล้วหะอตอนที่ภ า, ภาวนาในรูปแบบอะค่ะหลวงพ่อคือพอเวลาเราหายใจไปใช่ไหมคะ เ, มเขาก็จะไปคิดใช่ไหมคะอมพอรู้ตัวขึ้นมาค่ะจะรู้สึกว่าที่เพิ่งผ่านไปเป็นใครไม่รู้ถ้าจะเราจะวนหลุดอย่างเดิน<ะ>นั่นแหละฝึกไปเรื่อยนะสุดท้ายมันก็จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีเรา ตัวนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่าพาะไอ้ตัวที่หายไปแล้วนะไอ้ตัวนั้นมันเหมือนฝันไปรู้สึกไหมใช่ค่ะมันเหมือนฝันอยู่จริงๆแล้ ว, ลว <laughs> มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่ว่าตื่นตื่นนะจริงๆไม่ตื่นรจริงๆมันติดอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาเลยนะไม่ตื่นหรอกงั้นพอเราตื่นขึ้นมานะโอ้ยตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลยฝันทั้งนั้นเลยนะแล้วเวลาฝันเรารู้สึกว่ามีจริงจังใช่ไหม เราตื่นขึ้นมนนึกถึงความฝันไม่ใช่ของจริงละชีวิตนี้เหมือนความฝัน<ฆ>ชีวิตนี้เหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดคุณเจ้าสอนอย่างนี้นะเป็นมายาท่านะั้นหลอกคนหลงขอส่งสภาวะสุดท้ายก็คือพอภาวนาในรูปแบบใช่ไหมคะนะักพจนิจิยเขาไหลไปแล้วเรารู้รู้สึกตัวเราจะรู้สึกว่าเขาเหมือนไป ตอนที่รู้สึกตัวเนี่ยก็คือจะสบายใช่ไหมคะพอเขาไปคว้าอะไรแล้วเขาก็มาหมุนขาตัวหมุนนั่นเรียกว่าพบนะเอาว่าพบพบหรือการทํางานของจิตเป็นสังขารนะมันจะหมุนหมุนหมุนหมุนสร้างพบมกหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นนะพบน้อยพบใหญ่มีพบที่ไรก็มีทุกทุกทีใช่ไหมเขาหลุดออกมารู้สึกสบายหลุดออกจากพบอันนั้นเป็นพบหยาบนะอพบที่รู้เนี่ยเป็นพบละเอียด ก็เป็นพบอีกภพหนึ่งยังไงก็หนีพพไปไม่ได้หรอกจะหลุดจากพบต้องเป็นพระอรหันนะไปดูนะมีพพที่ใดก็มีทุกทุกทีแล้วถ้าใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางปัญหาอยู่ตรงที่ใจไม่เป็นกลางนั่นแหละค่ะขอบคุณพ่อค่ะครับในโอกาสนี้จะขอ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 เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นกาละนานเธอหลวงพ่อขอโนมโมธนานะกับทางแทงนคณะบดีคณะวิศวะโนโมนาอาจารย์แบงค์นะผู้จัดทุกคนนะครับพอนะ ยะถาวาริวาาปุราภริปุเรนตีสาคลังเอวเมวาอิโตทินังเปตาณังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมัง p ิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปะฉันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสย t ถาสพีติโยวิวัชฉันตูสปารุโควินัสตุ มาเตปวัตวันตรายโสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังอุทาปจายโนจตาโรโธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลังสาธุ